ใครชอบหน้าหนาววันนี้ที่นี่สิบแปดความน่ากลัวมันไม่ใช่อุณภูมนะิความน่ากลัวคือลมเวลาลมพัดเราจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วเลยไม่นานก็ตายไปตากลมเมื่อคืนใครดูจันทคราดบ้างพวกหิ่งห้อยได้ดูไหม พวอยู่หิ่งห้อยได้ดูชัดหน่อยกรุงเทพไม่มีปัญญาดูหรอกไม่มีให้ดู <c oughs> จะดูก็ดูนะนิดหน่อยพระจันทร์จะหลุดไปจากโลกเป็นข่าวดีนะดีที่มันไม่หลุดเข้ามาข้างในอยากค่อยๆห่างออกไปเลยได้ไม่เที่ยงตัวอย่างก็เป็นอย่างเนี้ยนะชั่วคราว พวกมาอยู่หิ่งห้อยเห็นความชั่วคราวของจิตใจบ้างยังพวกที่มาเข้าคอร์สพอไหวไหมพอได้นะคือถ้าไม่สามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ยังไม่มีไม่มีทางเลือกเลยเนะงินถึงจะยากลำบาก เข้าใจยากก็ต้องพยายามเรียนพยายามศึกษาไว้นี่หลวงพ่อก็เพิ่งรู้นะว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันอยู่ในหลักสูตรนักธรรมเอกเราเรียนนักธรรมตรีเองไม่ถึงเอกหรอกมีปลาที่ท่านจบนักธรรมเอกแล้วท่านมาบอกว่าก็เหมือนกันนหะแต่ในตำรานะไม่มีวิธีปฏิบัติบอกแต่หลักสมถะมีเท่านี้นี่ปัสนามีเท่านี้ แต่ how to ไม่มีไม่รู้วิธีสิ่งที่พวกเราเราเรียนจากครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อแต่ก่อนเรียนจากครูบาอาจารย์มาก็คือพิธีปฏิบัตินั่นเองแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็เป็นผู้บอกทางบอกวิธีธรรมะนั้นเป็นของที่มันมีอยู่แล้วแต่ว่าคนไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็เอามาเปิดเผยนี่ท่านเก่งท่านเป็นสัพพันญู ท่านเอาธรรมะมาเปิดเผย ด, ด้วยเอาวิธีการมาบอกด้วยพระพุทธเจ้าบางองนะคือพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ธรรมะแต่ท่านแจกแจงวิธีการออกมาไม่ได้หรืออาจจะแจกแจงได้แต่ว่าคนที่ท่านพบบุญบา ร, รมีมันไม่ถึงท่านก็สอนไม่ได้งั้นท่านก็เลยรู้เฉพาะธรรมะเฉพาะตัวท่านไม่สอนคนอื่น พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนอกจากจะรู้ธรรมะเอาธรรมะมาสอนเนื้อหาสาระของธรรมะมาสอนนะยังสอนวิธีที่จะเราปฏิบัติด้วยเราเพิเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่ออาจารย์มหาเขียนเป็นเจ้าคุณอริยะเวทีมหาเขียนเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเจ้าวาดวัดสุดทธาชินดาที่โคราชไปรนลูกศิษหลวงปู่มั่นแต่ไม่ยอมภาวนา หลวงปูมั่นเรียกให้ภาวนาบอกอยากเรียนอยากเรียนให้จบก่อนท่านเรียนจนได้ประเด็นเก้านะไม่ธรรมดาหรอกแล้วท่านรักษาสัจจะจริงๆออกบวชท่านบวชอยู่แล้วหมายถึงออกปฏิบัติเลยลาออกจากตําแหน่งเจ้า ว, วาดหลังไปเจอท่านที่กาลสิ น, น์ท่านอายุมากแล้วท่านก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยตอนนี้ท่านท่องพระไตรปิฎกได้หลายสิบเล่มแล้ว ท่านแค่สงสัยว่าพระนรินทร์จำได้จริงหรือในตําราบอกพรานรินท่องจําพระไตรปิฎกไว้ได้เยอะเป็นคนสังคยานาเข้าร่วมสังคยานาเป็นคนตอบคําถามของพระมหากัสปะท่านท่องนะท่านพบว่าเป็นไปได้ไม่ยากไม่เหลือวิสัยท่านท่องได้หลายสิบเล่มแล้วยังไม่จบแต่หลังๆก็ได้ข่าวว่าท่านท่องจนจบเหมือนกันท่านเป็นคนที่จริงจังนะทําอะไรทําจริงไม่หลอแหลก ทำหยาะเยาะใหญ่ใญไม่ได้กินออกท่านบอกหลวงพ่อนะว่าตอนนั้นนะบอกว่าเอออ่านพระไตรปิฎกนะเลยรู้เลยว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อการปฏิบัติทั้งสิ้นเลยนี่ท่านสรุปอย่างนี้เลยนะนี่ท่านแตกฉานมากท่านสรุปเลยว่าที่พระเจ้าสอนเนี่ยสอนวิธีปฏิบัติทั้งนั้นเลยเป็นไปเพื่อการปฏิบัติทั้งหมดเลยธรรมะนะ บางทีก็สอนเนื้อหาสาระของธรรมะบางทีก็สอนวิธีการของธรรมะแต่ทั้งหมดนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติไม่ใช่เพื่อให้ทรงจําไม่เล่นๆ เ, เพื่อลดละกิเลสจริงๆสู้กิเลสจริงๆเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกนะท่านสอนเฉพาะใบไม้หนึ่งกำมือเท่านั้นคือธรรมะที่จําเป็นเพื่อความพ้นทุกข์นี่นเราไม่ได้เรียนอะไรมากมายนะไม่ต้องค้นคว้าอะไรมากมายหรอกเรียนในใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้าให้ได้ เพราะเรามีบุญวาสนามากแล้วมาเจอยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้อุบัติขึ้นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เก่งนะเก่งเป็นพระพุทธเจ้าที่มีปัญญามากแล้วบัญญัติพระธรรมวินัยเอาไว้มากพระพุทธเจ้าบางพระองค์ท่านเก่งเฉพาะตัวแต่ท่านไม่ขนขวายที่จะบัญญัติพระธรรมวินัยไว้อย่างพระวิปัสสีพระสีขีพระเวสภูเนี่ย สาวโโอกอสุดท้ายที่เรียนกับท่านนิพพานแล้วศาสนาก็จบตรงนั้นเลยพระพุทธเจ้าของเราเนี้ท่านสอนธรรมมาไว้กว้างขวา ง, วางเพียงพอที่จะสืบทอดกันมาจนถึงรุ่นของเรานี้ธรรมมพอมาถึงรุ่นเราเนี่ยขนาดใบไม้กํามือเดียวนะยังตั้ง 84% ด00พพระธรรมขันนะก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมพอเราอ่านเราก็สับสนเราไม่รู้จะลงมือตรงไห น, นครูบาอาจารย์ท่านก็ผ่านมาแล้วท่านก็มาบอก วิธีการให้บอกเคล็ดลับให้คล้ายๆเคล็ดวิชาใครเคยอ่านเรื่องมังกรหยกมั้งมีไหมยกมือสิมีไห ม, ม, ม, ไหมต้องแกะได้ที่อนะในเรื่องมังกรหยกก็มีคำพิลเล่มหนึ่งยใครจําได้ไหมฝ่ามืออะไรสิบแปดสิบแปดฝ่ามืออะไรนะพี่ชิดมังกรหรืออะไรนะสิบแปดท่า ไอ้คำพีเนี่ยมันไม่หายแต่มันไม่มีคนฝึกสําเร็จหลังจากไอ้พระเอกเราไม่มีใครฝึกได้เลยทําไมมันฝึกไม่ได้ทั้งที่คำภี์ยังอยู่มันก็คือคําตอบอันเดียวกับที่พวกเราพระใจปีโกของเราอยู่ครบเลยแต่ทาไมเราภาวนาไม่ถูกเพราะเราไม่รู้วิธีไม่รู้เคล็ดวิชาเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนเคล็ดวิชาให้ยังหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยสิ่งที่ท่านสอนอันแรกๆเลยนะผู้รู้ ถ้องเป็นผู้รู้ให้ได้ถ้าจิตของเราไม่เป็นผู้รู้นะจิตเป็นแต่ผู้คิดผู้นึกผู้ปลุกผู้แต่งจะไปเจริญวิปั ส, สนาได้ยังไงวิปั ส, สนาแปลว่าเห็นนะปัสชนะแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งนีคือเห็นไตรลักษณนั่นเองนี้เราอ่านหนังสืออ่านตำรานะเราได้แต่คิดเราไม่รู้วิธีรู้กระทั่งการเรียนวิชาทางโลกที่พวกเราคุ้นเคยะ เราคุ้นเคยกับการอ่านแล้วก็คิดเอาอ่านแล้วก็คิดเอานะหรือไม่ก็ฟังฟังเลคเชอร์นะฟังแล้วก็คิดอ่านแล้วก็คิดเราคุ้นเคยกับการหาความรู้หาปัญญาด้วยวิธีนี้เท่านั้นเองการอ่านการฟังนะเรียกว่าสุตตะมยปัญญาการคิดเอาเรียกจินตามายปัญญายังไม่ขึ้นมาสู่ภาวนามยปัญญาซึ่งตัวนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จัก จะเกิดภาวนามยปัญญานะคือการที่จะเจริญสติเจริญปัญญาขึ้นมาได้นะแรกเลยจิตต้องเป็นผู้รู้ให้ได้ก่อนถ้าจิตยังอยู่ในโลกของความคิดมันก็เป็นผู้รู้ไม่ได้มันก็เป็นแต่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไปเป็นผู้จำนะแต่ละคนจําธรรมะได้เยอะแยะแต่ปฏิบัติไม่ได้แต่ละคนคิดธรรมะมากมายแต่ล้างกิเลสไม่ได้ต้องมาหัดภาวนาที่แท้จริงมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาก่อน เนี่ยเคล็ดลับที่หลวงพ่อได้จากครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะได้ตัวรู้นี่เองแต่เดิมเรียนจากท่านพ่อหลีท่านพ่อหลีสอนให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจแรกๆยังหายใจไม่ค่อยเป็นหายใจแล้วก็สว่างขึ้นมานะออกไปเที่ยวข้างนอก <S <S เที่ยวดูโน่นดูนี่ไปนั่นเที่ยวไปดูดูจริงหรือไม่จริงไม่รู้หรอกนะแต่มันเห็น สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเห็นนั้นมันพิสูจน์ไม่ได้หรอกแต่มันก็ทําให้กลัวบาปกลัวกรรมนะไม่กล้าทำชั่วหรอกกลัวอยากทําดีอะย่างเงี้ยแต่ภาวนาก็ได้แค่นั้นไปไม่รอดนะแต่ว่าต่อมาพัฒนาขึ้นมาไม่ให้ขาดสติปรากฏว่าหายใจไปเรื่อยพุโทโธไปหายใจไปนะได้ตัวผู้รู้ขึ้นมาจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแต่ว่าไปต่อไม่เป็น จิตตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแนละ้วไม่รู้จะเดินปัญญาต่ อ, อยังไงนะก็คิด ว, ว่าถ้าเป็นผู้รู้อยู่ตรงนี้นานๆ น, น, นะวันหนึ่งคงได้มากผลนิพพานนะพยายามจะรักษาความรู้สึกตัวนี้ตลอดเวลาเลยนะเวลาหายใจนะพอจิตจะรวมจิตจะเคลิบนะหายใจแรงๆขึ้นมากลัวจะขาดสตนะินี่คิดแบบเด็กๆนะคิดแบบเด็กๆกลัวหลงอะกลัวหลงแล้วออกข้างนอกไป เวลาหายใจพอจิตจะเคลิม้มกลัวมันจะแปรห้อ ง, งหายใจแรงๆพยายามรู้สึกตัวในสุดขินก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแต่ไม่รู้จะเดินปัญญาอย่างไงนะไม่รู้จักคําว่ามีปัศนาสมถะไม่รู้จักครูบาอาจารย์ให้ภาวนาพุโทโธก็ภาวนา ม, มาหายใจมาอย่างนี้แหละเดินต่อไม่ได้ได้แต่ตัวผู้รู้ขึ้นมาละนี้ทําอยู่22่สิบปีไปเจอหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตตัวเอง ก็รู้สึกเป็นวิชาใหม่ซึ่งไม่เกี่ยวกับของเดิมที่เคยทําเลยของเดิมทําสมาธิมาได้ตัวผู้รู้มาพระหลวงปูดลสอนให้ดูจิตตัวเองเพราะก็แยกเลยจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้แหละเราไม่รู้จักว่าจิตเป็นยังไงไม่รู้จักว่าจิตอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปดูแต่คิดอย่างหนึ่งว่าจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้เพราะฉะนั้นต่อไป น, นี้เราจะไม่รู้เกินกายออกไป จะรู้อยู่ในวงขอบเขตของร่างกายเนี่ยเป็นหลักนะไม่เรียนรู้ธรรมะนอกนอกกายออกไปนี่เป็นหลักของการปฏิบัติที่สําคัญมากนะพวกเรานี้หลวงพ่อใจมันคิดขึ้นมาอย่างอยนั้นนะมันเดินเข้าร่องเข้ารอยอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็มาดูที่กายนึกว่าจิตอยู่ในผมขนเล็บฟันห น, นังเนเอ็นกระดูกไหมไล่แต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวรู้ว่าจิตอยู่ในร่างกายแต่ผมว่าไม่ได้อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย จิตไม่ได้อยู่ในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอนในกระดูกอะไรเลยแต่จิตอยู่ในร่างกายเอยเพราะงั้นจิตกับกายเนี่ยคนละอันกันแน่พอคิดอย่างนี้ได้นะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งถ้าไม่เห็นได้เคยฝึกสมาธิมาเยอะแล้วนะจิตมันเป็นคนดูได้ไม่เห็นร่างกายอยู่ตหาหักแล้วจิตมันเป็นคนดูกายกับจิตแยกกันละนี่คือการแยกรูปแยกนำ้ำหัดแยกรูปแยกนำ้ำ เสร็จแล้วก็เอหรือว่าจิตก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์หรือเปล่าตอนนั้นโง่ถึงขนาดไม่รู้ว่าจิตคืออะไรนะไม่รู้เรื่องเลยจิตคือความรู้สึกสุขหรือเปล่าลก็นั่งสมาธินะนั่งรถไฟมาจากสุรินน์นั่งสมาธิเจ็ด ใ, ใจสบายมีความสุขแล้วพอมีความสุขแล้วดูลงไปในความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขดับไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยมไม่ใช่ความสุขไม่ใช่จิต หรือว่าความทุกข์เป็นจิต App, แล้วนั่งนิ่งๆนะไม่กระดุกกระดิกให้มันเมื่อยมากๆเลยนั่งดูความปวดความเมื่อยไปเรื่อยนะค่อยๆเห็นนะกายอยู่ส่วนหนึ่งความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะดูไปดูไปความปวดความเมื่อยมันหายะมันชาขึ้นมาแล้ก็หายปวดได้นะพอ ม, นน ม, มนันหายปวดไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยเอะหรือว่าจิตคือความคิดดูสิหาสเปสสปาไปเรื่อยนะ หรือว่าจิตคือความคิดในรถไฟมาใกล้จะกรุงเทพแล้คิดว่าหรือจิตคือความคิดจงใจคิดนะคิดคําว่าพุทโธสุดสุดโธกรุณามหันโนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทต์มีพระกรุณาดังพวงมหันลบตอนคิดไม่ได้แปลนะเดี๋ยวนี้แปลให้พวกเราฟังว่าคิดว่าอะไรคิดแต่ว่าพุทโธสุสุดโธกรุณามหันโนโวพอคิดบทส่วนบนอันนี้ขึ้นท่านหนึ่งมันไปเห็นจิตที่คิดเข้า มันไปเห็นกระแสของความคิดนะไหลขึ้นมาจากความว่างๆความคิดไหลขึ้นมาจากความว่างๆนะจิตเป็นคนดูอยู่ทันทีที่รู้ว่าจิตคิดเท่านั้นจิตรู้ก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยจิตดีดพังออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยเพราะว่าให้ ه, ตัวนี้ตัวเดิมอะ่ะตัวเดิมที่เคยทําสมาธิมานั่นเองนี่กลับมาที่ตัวนี้อีกที่เดวที่เป็นผู้รู้นี่เองแต่เสร็จแล้วก็เดินต่อผิดอีก ได้ยินหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตนะก็ลเลยเลยจ้องรักษาตัวจิตผู้รู้เอาไว้นะจิตไหลไปรวมอารมณ์ก็หาทางแก้ไขนะให้มันดีดกลับออกมาตั้งมั่นเด่นดวงอีกเนี่ยรักษาแต่จิตอยู่รักษาจิตได้ที่นะฝึกอยู่3เดือนนะรู้สึกเจ๋งละไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่นี่ผมดูจิตเป็นแล้วครับหลวงปู่ผมดูได้แล้วที่หลวงปู่ให้ผมไปดูจิตเป็นยังไงโอ้จิตมันต่างๆน า, น, า, น, านะ มันปรุงอย่างนู้นปรุงอย่างนี้แต่เรารู้ทันนะมันเข้าไปเกาะอารมณ์ถ้าเราแก้ได้นะจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานี่แหละผมดูอยู่ได้ทั้งวันเลยนึกว่าท่านจะชมท่านไม่ชมเลยท่านบอกว่ากลับไปดูใหม่ไอ้ที่ดูอยู่นั้นอนะไปหลงยุ่งกับอาการของจิตคืบมัวไปประคับประคองปรุงแต่งอาการของจิตจิตปรุงจิตแต่งจิตชิดจิตนึกอะไรอย่างนั้นหยาบหยาบไม่เอาจะเอาจิตที่ปรุงนิ่งปรุงวงั่าะ ก็คือปรุงแต่งเหมือนกันนะกลับไปดูใหม่เนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนนะสอนนิดเดียวนะชี้เป้าให้เรานะให้เราหาวิธีเอาเองนะถ้าเราไม่เคยฝึกอบรมมาเก่าๆนะก่อนๆนะเราเดินกว่าจะเข้าร่องไม่ใช่ง่ายนะนี่หลวงพ่อภาวนามาตัา้งแต่ได้มันเริ่มเข้าร่องแล้วมันได้จิตผู้รู้ขึ้นมานะถ้ามันรู้จักแยกธาตุแยกขันธ์ นั่งรถไฟมาจากสุรินนะพอมาถึงกรุงเทพนะขันแยกออกเลยตัวผู้รู้เด่นขึ้มาเห็นขันแยกออกหมดแล้วแต่ว่าแทนที่จะไปดูขันทำงานนะกลับมารักษาจิตเนี่ยพลาดตรงนี้เนี่ยเราเราดูขันมันทำงานนะแต่ดูด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูผู้ตั้งมั่นเนี่ยฝึกนะฝึกจนกระทั่งมีจิตที่เป็นผู้รู้อยู่แต่ว่าปล่อยให้ขันทางานแล้วตามดูขันต่อมาก็สังเกตอีกตัวจิตเองก็เกิดดับ จิตเดี๋ยวก็สุขจิตเดี๋ยวก็ทุกข์จิตเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตเดี๋ยวเกิดที่ตาเดี๋ยวเกิดที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจจิตเองก็เกิดดับการดูจิตเกิดดับนั้นอย่าไปดูตัวจิตตรงๆถ้าไปเพ่งใส่ตัวจิตตรงๆเป็นการเพ่งจิตถ้าเพ่งจิตจะไปพลมโลกเรียกว่าวิญญาณอัญญายตนะเป็นอรูปฌานถ้าไปเพ่งใส่ตัวจิตถ้าไปเพ่งความว่างเรื่องอากาศสารอัญญายตนะถ้าเป็นเพ่งความไม่เอาอะไรเลยชื่ออากิญจายตนะ ไม่ใช่ทางพ้ทุก์ทางพ้นทุกก็คือเรามาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานะเราแยกธาตุแยกขันธ์ไปดูกายทํางานดูใจทํางานจนเห็นแต่ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจเรื่อยไปนะถ้าเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามแจ่มแจ้งนะจิตจะรวมเข้ามาเองรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองไม่ต้องเจตนาเข้าฌานในความเป็นจริงในขณะที่เราดูธาตุดูขันธ์เกิดดับไปนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะั่นแหะ จิตจะพลิกตัวเข้ามาทําสมถะเป็นช่วงๆจิตไม่เคยเดินวิปัสสนารวดเดียวนะแต่ว่าจะเดินวิปัสสนาไปหน่อยหนึ่งแล้วก็รวมเข้ามาทําสมถะแล้วมันก็ออกไปเดินวิปัสสนาอีก็รวมเข้ามาเป็นช่วงๆไปนะสลับกันไปเรื่อยๆถ้าทําสมถะนะทํำส ม, ถ า, นะำสมถารวดเดียวได้แต่ถ้าจเจริญปัญญารวดเดียวไม่มีหรอกนะจิตจะพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถากับวิปัสสนา ถ้าเราไม่ชํานาญพอนะตรงที่จิตเดินมิปัสนาอยู่เห็นสภาวะธรรมเกิดดับจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะเกิดสมาธิตกสมาธิอ่อนจิตผู้รู้หายไปจิตเคลื่อนนะจิตส่งออกนอกที่หลวงปู่ดูลจิตออกนอกจิตนี้เคลื่อนไปอย่างเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นจิตมันเคลื่อนไปดูที่ความโกรธนั้นมันไหลไปอยู่กับความโกรธนะความโกรธอาจจะหนีออกไปนอกร่างกายเราอีกนะหนีออกไปข้างนอกแลเราตามไปดูอีกความโกรธดับไปคราวนี้เสร็จเลยกลับบ้านไม่เป็นจิตไม่เข้าฐานนะ จิตไปอยู่ข้างนอกนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้จิตไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นจิตไปอยู่ข้างนอกก็ว่างสว่างบริสุทธิ์ขึ้นมานะเนึ่องว่าบรรลุมรรคผลแล้วที่แท้ตัวนี้คือวิปัสสนู ต, ตัวหนึ่งนะชื่อว่าโอภาษพวกนั่งดูจิตเนี่ยไปติดโอภาสเดียวนะเพราะจิตจะสว่างสวยัยแล้วก็จิตมันไม่ถึงฐานมันเคลื่อนออกจากฐานไปมิปัสจนตกิเลสมี10อย่างนะแต่ั้าสิบอย่างเนี่ย เกิดจากอาการอันเดียวกันคือจิตไม่ถึงฐานเพราะในขณะที่เราเดินวิปัสสนาอยู่นะถ้าจิตเราเคลื่อนไปต้องรู้ทันนะถ้าเคลื่อนแล้วไม่รู้ทันเนี่ยมันจะไปปรุงแต่งวิปัสสนูปกิเลสขึ้นมาหลอกเราฉันนึกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อช่วงสองสามวันนี้ก็แก้พร้าองหนึ่งนะพร้าองค์หนึ่งก็เนี่ยจิตไม่ถึงฐานแล้วจิตไม่เข้าฐานนะไปรู้ไปเห็นเลยนะมันว่างไปหมดมันดับไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าเฉลยจะบรรลุแล้วไม่รู้หรอก จิตยังออกนอกอยู่ยงัเราต้องสังเกตให้ดีตรงที่จิตมันถึงฐานหรือไม่ถึงฐานถ้าจิตมันเคลื่อนแล้วไม่รู้ทันนะตรงนี้เราไปเดินปัญญานะเราก็ไม่รู้ทันตรงนี้จะโดนวิปัสโนไปกิเลตเอาไปกินลนะ่านอนท่านเรียกวิปัสโนไปกิเลตว่าธรรมมุตทัตจะธรรมะอุทัตจะรู้จักอุทัตจะไหมอุทัตจากความฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านในธรรมสิประการนะเรียกว่ามีปัจสนุภิกิเลตนั่นเอง วิธีที่จะหายจากความฟุ้งซ่านหายจากวิปัสสนูก็คือจิตถึงฐานแค่นี้เองจิตเข้าถึงฐานแค่นี้เองเมื่อก่อนนี้เรียนจากหลวงปู่เทศนะคนมีวิปัสสนูมาในเนื้อท่านสอนท่านแกเส็จแล้วท่านบอกยังจําได้ท่านสอ น, น, ส น, บ, อ น, สอนบอกว่าถ้าสมาธิพอนะก็จะหลุดจากวิปัสสนูตอนนั้นท่านสอนแบบนี้เราไม่เข้าใจแม่วิปัสสนูมันเดินปัญญาอยู่แท้เลยทําไมท่านบอกว่าสมาธิพอแล้วหลุดจากวิปัสสนู ทั้งๆที่วิปัสสนูมันเกิดจากการทำวิปัสนาไม่เข้าใจท่านนะตอนหลังมาภาวนาแล้วมาอ่านอภิธรรมมาอะไรเข้านะมาศึกษาพระสูตรอะไรเออใช่อย่างที่ท่านบอกจริงๆพระนนสอนมาแล้วนะอยู่ในสูตรชื่อยุคลรนัตสูตรถ้าจิตมันฟุ้งซ่านไปนะรู้ทันมันนะจิตตั้งมั่นก็พ้นจากทำสิบประการนี้พ้นจากวิปัสสนุไปกิเลส เวลาพวกเราภาวนาเจริญวิปัสนาแล้วไม่ต้องกลัววิปัสนูเจอแน่นอนเจอทุกคนไม่ต้องกลัวมันเป็นทางผ่านคนไหนเดินเจอวิปัสนูนะต้องชมว่าภาวนาเก่งเริ่มวิปัสนาได้แล้วถ้าไม่เริ่มวิปัสนาไม่มีวันไปเจอวิปัสนูเลยจะเจอแต่นิมิตทําแต่สมถะจะมีแต่นิมิตนะนิมิตเป็นเครื่องหลอกของพวกทําสมถะวิปัสณูเนี่ยเป็นเครื่องหลอกพวกทําวิปัสนา แต่ว่าทําสมรถะอาศัยนิมิตนะนนค่อยเรียนละเอียดถ้าอยากเรียนอย่างว่าจะเปิดข้อสสมถะดูบ้างนะง น, นึกดูคนรุ่นนี้สอนยากนะคงเหมือนเข็นกวายขึ้นภูเขาสอนสมาธิยากให้ใจมันวักแวกวักแว๊กสอนเดินปัญญาน่าจะไปง่ายกว่าที่เราต้องใช้ทรัพยากรที่พวกเรามีพวกเรามีปัญญานะคนยุคนี้ปัญญากล้ากล้าอยู่สองอย่างปัญญากล้ากับปากกล้า สองอย่างกล้ามากเลยสมาธิไม่ค่อยดีศีลไม่ค่อยดีบกพร่องอเราใช้ทรัพยากรที่เรามีมีปัญญาใช้ปัญญานําไปวิธีใช้ปัญญานำนะก็คือนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจใกระทบอารมณ์นะจิตปรุงอะไรขึ้นมารู้ทันมันตรงที่ใจเป็นคนรู้เนี่ยสำคัญมากหลวงพ่อนะฝึกจนกระทั่งใจเป็นผู้รู้เด่นดวงอยู่อย่างนั้นนะตั้งแต่แรกๆเลยก็ทําทสมาธิมานาน เจอครูบาอาจารย์นะอย่างหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ไม่เคยบอกชื่อเลยสักองเดียวบางองค์รู้เองบางองค์รู้เองเลยบางองค์เราทุกองค์เราไม่ได้บอกชื่อไปหาหลวงปู่สิมนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ให้ฉายาเราว่าผู้รู้ไปหาหลวงพ่อพุทธนะท่านให้ฉายาหลวงพ่อว่านักปฏิบัติท่านเรียกอย่างนี้ถ้าท่านไม่รู้ชื่อ จิตเราเป็นผู้รู้นะเราภาวนาง่ายพอเป็นผู้รู้แล้วเราไม่ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นผู้รู้แล้วดูธาตุดูขันมันทํางานไม่ดูธาตุดูขันทํางานไม่เห็นสจรักของธาตุของขันอย่ามาคุยเรื่องเจริญปัญญาไม่มีหรอกถ้าจิตจะเจริญปัญญาได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อวานหลวงพ่อก็สอนมาสองวันแล้วนะเรื่องทำยังไงจะให้ได้จิตผู้รู้วันนี้ยังสอนอยู่เมื่อกี้นี้เองนึกออกไหม ที่หลวงพ่อบอก ห, หลวงพ่อ ส, ส, สดมนั้นพุทโธสูตสุตโธกรุณามหันตวิจิตมันคิดคิดบทสดมนขึ้นมาแล้วเราไปเห็นจิตที่คิดบทสดมนขึ้นทันทีที่เรารู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้ก็เกิดอัตโนมัติเลยเพราะจิตรู้กับจิตคิดนั้นกลับข้างกันเหมือนเหรียญอันเดียวกันนะจิตรู้กับจิตคิดนั้นเหมือนเหรียญอันเดียวกันแต่หัวด้านหัวด้านก้อยหลวงปู่เทศท่านก็เรียกว่าจิตกระจายถ้าจิตอันใดก็ใจอันนั้นก็คือเหรียญอันเดียวกันนั่นเอง แต่จิตนั้นเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านสอนอย่างนี้ท่านเก่งมากนะในการสอนอย่างนี้ออกมาได้หาครูบาอาจารย์ที่แจกแจงสมาธิออกมาได้แจกแจงจิตแจกแจงสมาธิได้อย่างหลวงปู่เทนี่หายากมากเลยแต่คนลืมท่านไปหมดแล้วทุกวันนี้วัดท่านก็ร้างๆนะแต่เข้าไปก็ไม่มีอะไรมีแต่วัดร้างมีเจดีย์ของท่านอยู่เท่า น, นั้น มีเมนที่เผาศพท่านอยูย่ยังเก็บรักษาไว้อยู่ธรรมะของท่านคนลืมไปเยอะแล้วได้ยินเสียงะระฆังไหมมีการกระทบใช่ไหมแล้วมีเสียงคลางต่อใช่ไหมตีทีเดียวใช่ไหมมีเสียงคลางยาวเวลาจิตตัวนี้คือคำว่าวิตกกับคำวิพิจารณ วิตกเนี่ยจิตมันจับอารมณ์นะจับปับเข้าไปในวิจารเนี่ยจิตมันเคล้าอยู่กับอารมณ์นั้นเหมือนเสียงคลางของหลักขังเคล้าเคลียเนี่ยสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะมีจริงๆนะในจิตในใจเราหัดรู้สภาวะไปแล้วจะพบว่าถุอย่างเกิดแล้วดับวิตกเกิดแล้วก็ดับวิจารณ์เกิดแล้วก็ดับปีติเกิดแล้วก็ดับสุขเกิดแล้วก็ดับถ้าเห็นวิตกวิจารณเกิดดับ ทำวิปัสนาไหมเป็นรูปนามไหมเป็นนะวิตตวิจารเป็นนมามธรรมเป็นเจตสิกชนิดสังขารสังขารขันธ์ปีติลนะ่ะเป็นอะไรเป็นเวทนาหรือเป็นสังขารความสุขปีติกับสุขไม่เหมือนกันนะปีติเป็นความบือหวาของจิต ความสุขเนี่ยเป็นความรู้สึกสุขของจิตโคลนานกันโคนละขันกันนะแต่ว่าทั้งหมดนเกิดระดับหูเราได้ยินเสียงหูเราได้ยินเสียงระครังเรารู้สึกสบายใจรู้อะไรดีรู้ว่าพระตีระครังได้เวลากินข้าวอย่างนั้นหมาก็รู้เพอรักขังแล้วน้ำไหลไหลเราได้ยินเสียงรักัง ใจมีความสุขขึ้นมารู้ว่าใจมีความสุขได้ยินเสียงะระฆังนึกขึ้นได้เนี่ยสัญญาทํางานแล้วได้เวลากินข้าวแล้วนะเกิดความรู้สึกอยากกินข้าวตะละนะรู้ว่าตะละนะได้ยินเสียงะระฆังน้ําลายไหลเกิดนะความรู้สึกหิวความรู้สึกหิวเป็นอะไรเป็นรูปไหมเสร็จแล้วว่าตอบไม่ได้สักคนเรียนมาก็เยอะแ ย, ยะบางคนความรู้สึกหิวไม่ใช่กิเลส ความรู้สึกหิวไม่ใช่กิเลสมันหิวขึ้นมาเราก็แค่รู้ว่าหิวหิวก็ตะกะคนล่อันกันตะกะเป็นกิเลสนะพระราหันหิวได้ไหมหิวได้ออพระราหันตะกะไม่ได้ั้นดูลงไปได้ยินเสียงะระฆังนึกถึงอาหารหิวข้าวขึ้นมาเลยท้องร้องจับจอกเห็นร่างกายมันทํางานแล้วก็ใจต่อเลย ตะกะขึ้นมารู้ว่าตกะกะใจก็สายจมูกไปอย่างรวดเร็ว <c oughs> สํารวจว่าจะกินอะไรดีใจออกนอกใจออกนอกรู้ว่าใจออกนอกเพราะนั้นได้ยินเสียงะระฆังไม่ใช่รู้ว่าเสียงะระฆังนะไม่ใช่รู้ว่าพระตีะระฆังได้ยินเสียงะระฆังแล้วใจชอบก็รู้ใจไม่ชอบก็รู้ใจตะกะก็รู้ใจเป็นยังไงก็รู้รู้ทันตรงนี้ถ้าไม่รู้ทันที่ใจก็รู้ทันที่กายเช่นน้ำไหลไหลอะไรอย่างเงี้ยรู้ เห็นได้มันไหลเองไม่ได้เจตนาจะไหลงั้นได้ยินเสียงนะไม่ใช่รู้ว่าเสียงอะไรแต่รู้ทันจิตเห็นรูปไม่ใช่รู้ว่ารูปอะไรแต่ว่ารู้ทันจิตใจคิดก็ไม่ใช่รู้แต่เรื่องที่คิดรู้ทันจิตมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วรู้ทันมันนี่แหละหัดจเจริญไปให้มากๆ